ไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์และความหายาณะที่ประสบบทนี้ได้ชี้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลลอ์ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลละโลก ด้วยพระนามของลอผู ER ้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ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 เมื่อพวกเจ้าย า, ยาภรยาก็จงยาพวกนางตามกําหนดอิดดาของพวกนางและจงนับอิดาของนางให้ครบพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิด อ, อย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนางและพวกนางก็จงยาออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะ ก, กระทําลามกอย่างชัดแจ้งและเหล่านี้คือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอลัลลอฮ์ แน่นอนเขาก็ได้อาธรรมต่อตัวของเขาเองจะไม่รู้ดอกหรือ ว, ว่าบางทีอลัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงเรื่องของเขาหลังจากนั้นอออิาาาาบบลลลมมววกกุต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 เป็นไปเพื่ออัลลอ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์และวันประโลกจะถูกตักเตือนให้ยึดถือปฏิบัติและผูยย้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่พวกเขา <S <S และจะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดกิดและผู้ใดมอบหมายแด่อลัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขาแท้จริงอลัลลอ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งนั้นอลัลลอ์ทรงกำหนดกฎสภาวะเอาไว้แล้ว و َ ل ل ا إ ِ س ْ ن َ مِنَ ا ل م َ ح ي ض مِنْ نِسَاءِكُمْ إ ن ا ْ ت َ ب َ ر ت م إ ن ُ ت َ ب ت ُ م ت ف َ ع د َّ ت ه ن ث َ ل ا ث َ ة ُ أ َ ش ْ ه ُ ر و َ ل ل ا ئ ِ ل َ ا م ي َ ح ض ر و َ أ ُ و ل ا ت ُ الْأَحْمَالِ أ َ ج ْ ل ُ ه ن أ َ ي ض َ ع ْ ن َ ح َ م ل َ ه ُ ن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 และบุดายาเกรงอัลล้าพร่วงก็จะสงลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาออกไปจากเขาและจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขาอสกิลูหุนมินให้คุสแ ก, ก้น تم ม, มินวิจิบิคุมวลาตุดาบรูหุนมินให้คุดยกัยิิน وَإِن كُنَّ أ ُ و ل َ ا ت َ ح َ م ْ ل ِ ف َ آ َ ف ِ ق ُ و ا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَظْعَنْ حَمْدَهُنَّ فَإِن أ َ ظ ْ ع ْ ن َ لَكُمْ ف َ آ ت ُ و ه ُ ن َّ أُجُورَهُنَّ وَاتَمِعُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْزِعُ لَهُ أ ُ خ ْ ر َ ا ه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 ควรให้ผู้ร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขาส่วนผู้ที่มีการยั่งชีพของเขาเป็นที่ขับแคลนแก่เขาเพระจงให้เขาจ่ายตามที่อลัลลอฮ์ทรงประทานมาให้แก่เขาอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ความลำบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทร ง, งประทานมาแก่ชีวิตนั้นหลังจากความยากลำบากอัลลอฮ์จะทรงให้เกิดความสะดวกสบายวกอ มีชาวตำบลกี่มากน้อยแล้วที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาและบรรด า, าศาสนทูตของพระองค์เราได้จัดการพวกเขาอย่างเข้มงวด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 เพราะแน่นอนอัลลอฮ์ทรงประทานข้อเตือนสติอันกุรอานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วรับู่เลย์ตลุอาลัยคุมอายัติลลาฮิมุบายนัติลี่อคริจัลล์ดีนอามานุลี่อคริจัลล์ดีนอามานุวะะมิลุสซาลิฮะติมิัุลมาติิลนวะมยูมินบิลลาฮิวมลุลิฮยดิุ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 ส่วนผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอ์และการกระทำความดีพระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนอลัลลอฮ์ได้ทรงจัดปัจจัยย่างชีพอย่างดีเลิศไว้ให้แก่พวกเขาแล้วอัลลอฮฺลลอฮฺอลลออัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอััลอัลลอฮอลลฮฺอ Allah ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเกดและทรงสร้างแผนดินยังเดียวกันนั้น